ท่านสาวธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับตอนต่อ น, นี้ไปก็จะขอนำเอาเรื่องราวในหนังสือประวัติหลวพปานวาัดบางุโคมาปรารถ บ, บบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจดหมายติดต่อเกินกว่าพันฉบับว่านางสีประวัติครูพ่อปานเป็นนางสีที่ถูกใจบรรดาท่านพุทธบริษัทมากใบริการหนึ่งถ้าอ่านบางท่านหรือว่าหลายท่านในกันว่าพอเริ่มอ่านก็วางไม่ลงทั้งนี้เพราะว่าเป็นที่ถูกใจข้าบรรดาท่านพุทธบริษัท ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้อาตมาก็ปลื้มใจที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีอารมณ์เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่ า, <c oughs> าทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่อ่านนังสือพระหายาก และโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเขามักจะถือว่าหนังสือของพระนี่เป็นหนังสือปรำประลาอ่านแล้วไม่เป็นที่ถูกใจของบุคคลผู้อ่านให้ยึบรการหนึ่งเขาจะถือว่าเรื่องราวของพระเป็นเรื่องราวของศาลาวัดเป็นความรู้ที่ไม่ทันสมัยแล้วก็ไม่สามารถจะสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติได้ ให้คนบางคณะท่านจริงไม่ได้สนใจทั้งนี้อาตมาก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ดี <c oughs> ความจริงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่คนจะเห็นว่าดีหรือไม่ดีนี่เราก็ไม่ควรจะโทษท่านผู้อา่านเหมือนกับว่าสมมติว่าเราเองเป็นค น, สนแสดงภาพยนตร์ เป็นค น, สนแสดงมโหรสษหรือว่าเป็นพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงภาพยนตร์นักสนแดกสแดงมโหรสษสถ้าสแสดงไปแล้วเป็นที่ไม่ถูกใจของบุคคลผู้ชมก็อย่าไปโทษว่าคนชู้ชมมีใจไม่ถึงอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่านักสนแสดงจะต้องรู้จิตใจคน ว่าคนในถิ่นนี้เขาชอบลีลาแบบไหนถ้ารู้ว่าเขาชอบลีลาแบบไหนเราก็แสดงไปตามนั้นอย่างนี้เขาชมเป็นที่ชอบใจของเขาถึงถึงจะถูกต้องแต่ว่านักแสดงต่างๆมีความบ้าธนาอย่างเดียวว่าจะแสดงตามใจฉันชอบ โดยไม่พิจารณาว่าจิตใจของบุคคลผู้ชมต้องการอะไรและในเมื่อบุคคลนั้นบุคคลผู้ชมไม่ต้องการมีการเบื่อหน่ายและจะไปโทษว่าคนชมตาไม่ถึงใจไม่ถึงมันก็ไม่ถูกนี่เป็นการหนึ่งกับผู้เหมือนกับพ่อครัวแม่ครัวก็เหมือนกันพ่อครัวแม่ครัวปรุงใจปรุงอาหารตามใจตนชอบ แต่ไม่ได้คิดว่าแขกผู้มาหรือผู้ต้องการยากกินเขาต้องการรถประเทศไหนเราทำเฉพาะตามใจเราฝ่ายเดียวอันนี้ก็ต้องถือว่าในเมื่อไม่ถูกปากเขาเราจะโทษเขาไม่ได้เราต้องโทษเราข้อ <c oughs> นี้มีประมาณชั้นใดการเขียนน้ำสีเรื่องราวของพระปานก็เหมือนกัน แต่ความจริงการเขียนนั้นอรตา ม, มาไม่ได้รู้ใจบรรดาญ า, ยาโยมพุทธบริษัทก็พูดไปตรงไปตรงมาและเป็นการพูดนีบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายไปอ่านเข้าและก็บอกว่าการพูดนี่เสียงมากที่ว่าเสียงมากเพราะว่าอรตมมาพูดตามความเป็นจริงความเป็นจริงของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง ก็นำมาพูดขั้นมาพูดไปตามความเป็นจริงเข้าก็ปรากฏว่าเป็นที่นิยมเขามันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงแต่ว่าทั้งนี้อาตมาเขามันในหมายความว่าอาตมาเก่งรู้ใจญาติโยมพุทธบริษัทแต่อาตมาที่ว่าความเก่งนั้นเป็นความเก่งขามนดาญ า, าติโยมพุทธบริษัท เป็นผู้มีอารมณ์เข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆและก็เป็นคนที่มีความต้องการท้าทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวลตรงไปตรงมานีความดีทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นความดีที่บรรดาเทพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาในอบรมใจมาดีแล้วทั้งในชาติปัจจุบันและชาติในอดีต เมื่อมาพบคำวาจาที่กล่าวตามความจริงของกติพะพุทธศาสนาจึงเป็นที่พอใจสำหรับวันนี้ก็คงยังไม่ได้เข้าเรื่องของพอบปานวัดบานมังโครหรือตานมางสือนั้นจะขอบอกประวัติความเป็นมาสักนิดหน่อย <c oughs> ว่าทำไมอาตมาจึงเสี่ยงจับ ก, กับคำว่าอวดอุตริมนุสธรรม <c oughs> เพราะว่าการเขียนนังสือตรงไปตรงมานัดบรรดาญาติโยมพู้ธบริษัทย่อมเป็นที่ชอดใจของบุคคลดีแต่้ว่าเป็นที่ไม่พอใจของคนเลวคนเลวนี่ถ้าเราจะคุยพูดกันเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่เขาจะหาว่าเป็นคนที่คืบเกินไป ถ้าเราจะชวนเขากินเหล้าเมายาปริเที่ยวเจ้าชู้ต่างๆเล่นการพ น, นันและวนคนนี้ควนคนนั้นแย่งคนนี้อย่างนี้เขาชอบ <c oughs> แต่ถ้าไปพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมเข้าก็หาว่าคือข้ อ, อนี้มีประมาณชั้นใดอาศัยกำลังใจขมันดาญาตโยมพุทธบริษัทก็ช่นเดียวกัน อาศัยที่ญาโยมพุทธบริษัทนี้บำเพ็ญความดีที่เรียกว่าบารมีมามากในรายการหนึ่งเมื่อฟังคำสั่งสอนข อ, ององค์สมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าตรงไปตรงมาก็ชอบใจสำหรับด้านคณะเขาอาตมา ก, ก็เช่นเดียวกันคณะที่นุ่งเหลืองโกนหัวคณะนี้ก็ต้องแบ่งออกเป็นสองพวก คือผู้หนึ่งที่ท่านเรียกว่าอุปสมะชีวิกาที่บวชเข้ามาแล้วอาศัยพระศาสนากินสร้างศักดิ์ศรีในฐานะที่ตนเป็นคนของพระพุทธศาสนามีผ้าเหลืองเป็นธงชัยจะเดินไปทางไหนก็มีคนคารพนอบนอ บ, นบแต่ได้ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนไม่เคารบในศีลเป็นคนไม่คารบในธรรม เป็นคนไม่เคารพในพระราชจัหญัติปกครองคณะสงฆ์กฎมหาเทรสมาคมและกฎกระทรวงเป็นต้นทำตนว่าเป็นผู้มีอำนาจแต่ว่าจิตใจนั้นหยาบคายมากไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีพระธรรมวินัยและระเบียบใดๆที่สร้างขึ้นไว้ก็สร้างเพื่อคนอื่นตนเองไม่ปรปพืชปฏิบัติ นักบวชประเภทนี้จักว่าเป็นนักบวชที่เลวที่สุดที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการม่โยและก็นักบวชอีกประเภทหนึ่งถึงแม้ว่าบาังเอิญท่านจะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์เป็นพระราชาคณะเป็นสมเด็จและเป็นสมเด็จตระสังาราร แต่ได้ว่าท่านทั้งหลายพวกนี้ท่านไม่ได้ติดในโลกกรรมเมื่อเขาตั้งมาก็รับเป็นการฉลองศรัทธาคือโลกกรรมำแปตั้งแปดรายการคือหนึ่งมีลาบลาบสจรการะคือเงินทองที่เกิดขึ้นมาท่านได้รับมาแล้วท่านก็สร้างในส่วนสธนาธารณประโยชน์สงเคราะห์สังคมสอง ตามบังเอิญว่าลาบจะหมดไปก็ไม่สะเทือนใจได้รับยศฐาบมันดาสัก์มาแล้วก็ไม่เมาในยศมีความรู้สึกตนของท่านอยู่เสมอว่าท่านเกิดแลแกแลก้วก็จิบแล้วก็ตายยิงไม่ถือตัวถือตนเกินไปบังเอิญเขาจะอยศไปท่านก็ไม่เสียใจดีไม่ดีกันเลื่อนยศฐาบมันดาสัก์ท่านก็ไม่ยอมรับเลื่อน อย่างนี้ชื่อว่าไม่เมาในในยศถ้าความสุขัมีจากกามารมณ์จะเพิ่งเกิดขึ้นท่านไม่สนใจความทุกข์ใดๆไม่จะเกิดขึ้นท่านก็ไม่เดือดร้อนใครจะนินทาว่าร้ายท่านก็เฉยๆใครจะสนเสริญเยนย่อท่านก็ไม่ยอมรับพระประเภทนี้ก็มีอยู่มากบรรดาท่านพุทธบริษัท การเขียนหนังสืออาตมาฉบับนั้นอาตมาพร้อมรับและก็พร้อมที่จะสู้แม้แต่ว่าชีวิตจะเสียไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอาตมานี่โดนมาหนักโดนพระประเภทที่ไม่เคารพในพระธรรมวินัยไม่เคารพพระราชมิตฉาปก ค, ครองคณะสงฆ์ไม่เคารพสังคานัดนึกว่ากฎมหาเทระสมาคม แต่ได้ว่าเขาเป็นผู้มีอานาจวาสนาอาจจะมาถูกลุกรานมามากในที่สุดมาตอนหลังที่เขียนหนังสือหลวพ่อปานเป็นจังหวะเวลาที่ป่วยมาก่อนหน้านั้นถึงสองปีเศษอาการป่วยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมันอาเจียนทุกวันฉันอาหารเข้าไปจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามมันก็อาเจียน ว่าการที่อาจเจียนแล้วก็แรงก็จะมีเดินไปไหนก็ส่วนลมบางทีนั่งคุยอยู่ดีๆพอลุกมาน้ามดุดสถ้าไม่มีอะไรเป็นที่เกาะก้ลมเป็นนั้นว่ามันนั่งพิจารณาทิงชีวิตก็คิดว่านี่เราน่าจะตายซะแล้ว <c oughs> ความตายคืบคืบคลามเข้ามาเป็นนั้นว่า ก็มันนั่งคิดในใจว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นของธรรมดาถ้าเราเองเราก็เคยตายมาแล้วหลายวันละเฉพาะในชีวิตนี้แต่ชีวิตทีแล้วแล้วมามาถอยหลังไปดูอัตภาพอันนั้นก็เห็นว่าชีวิตอัตภาพที่ผ่านมาเนี่ยมันนับไม่ทวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตที่เป็นสัตวิเดรัฉานมีปริมาณ กว่าชีวิตที่เป็นมนุษย์ไม่รู้กี่พันเท่าและชีวิตที่ผ่านความเป็นมนุษย์มา ก, ก็มากแสนมากนอกจากนั้นยังจะเป็นสัตว์นรกจะเป็นเป็ดจะสุรกายเป็นสตรีฉันอีกก็เยอะการเป็นเทวดาและเป็นพรหมเราก็เคยเป็นมา นี่พูดอย่างนี้นะก็พูดไม่กลัวใครจะฟ้องไม่กลัวใครจะเกาเกาหาเหมือนกัน <c oughs> ทั้งนี้เพราะอรเพรู้ว่าเราต้องสู้กันละต่อไปนี้รัชชีที่มีก็อยู่ในเขตพระพุทธศาสนามีกำลังมานานแต่ต่อไปนี้เราจะก้มหัวให้แกรัชชีไม่ได้ เวลานี้อัชีมีกำลังใหญ่แต่ทว่าท่านที่ทรงความดีก็มีกำลังมากการต่อสู้กับอรชีต่อไปนี้ก็ต้องหนึ่งต่อสู้คนด้วยวิธามวินยัยสองต่อสู้ก็ในเหตุผลและก็สามต่อสู้ก็ในการทำลายล้าง <c oughs> ถ้ารุกรานหนักเมื่อไรตามที่แล้วมาโดนมาแล้ว เริ่มตั้งแต่ปีพศ2503เป็นต้นมา <c oughs> และก็ได้ถูกอรารักพวกนี้ลุกรานหนักคนที่มีความผิดกลับได้รับแต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์คนที่ทรงธรรมสวินัยถูกถอดยศบ้างถูกจับศึกไปบ้างถูกขับไล่ออกจากวัดบ้าง ละความเวลวร้ายทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่ได้สลายตัวไปแม่อรตมาาในเองสร้างความเป็นความเป็นปึกแผ่นในพระพุทธศาสนาทั้งทั้งด้านจิตใจและถาวนวัตุก็ยังมีอารัชีคอยลุกรานอยู่ <c oughs> แต่ได้ว่าในฐานะที่อัรมาเป็นสาวกคู่องค์สมเด็จพระรังครู ก็พยายามอดทนแล้วก็ทนอดมาตลอดมาในที่สุดนับแต่ปีพศ .2520 ได้ <c oughs> จึงมาตัดสินว่าเราพ้นจากความตายในคราวนั้นมาแล้วต่อไปถ้าตายคราวนี้ก็ต้องตายแน่ในเมื่อเราจะตายแน่เรามีความสุขเพราะใขา ชีวิตที่ยัมีขึ้นมาได้ก็อาศัยบิดามัรดาเป็นแรงเกิดและบิดามัรดาท่านก็เป็คขบประงมท่านที่ไม่ยอมปล่อยให้เราตายท่านจึงอยู่ในท้องเป็นความดีของท่านและชีวิตความเป็นอยู่ที่มีมานั้นก็ต้อถือว่าร่างกายและจิตใจเป็นสมบัติของบิดาและมารดาที่มอบให้เวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็อบรมให้ตั้งอยู่ในความดี เวลานี้ที่เข้ามาบวชในศาสนาก็าองค์สมเด็จปัญินสีพระองค์ก็ทรงส่องสอนให้ตั้งอยู่ในความดีช่วยส่งเสริมกันโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงแนะนำว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาอย่ามาหวังลาบอย่าหวังยศอย่าหวังการสรรเสริญอย่าหวังสุข และก็อย่าสะเทือนใจมันลาบหมดไปอย่าสะเทือนใจไม่ยศไม่ได้เหนื่อไม่ได้แล้วเข้ า, าไปและอย่าสะเทือนใจเมื่อนินทามาถึงและอย่านินจะสะเทือนใจเมื่อมีความทุกข์เข้ามาถึงอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าบวชเข้ามาแล้วให้วางไปเสียอย่าเมาในราบยศทันเสินสุข อย่าเสเทียนใจมันลาบเสีย่ยมยศเสีย่ยมนินทานและอ็ทุกเกิดขึ้นในรายการหนึ่งสมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าการบวชเข้ามาแล้วนี้ต้องมีพรหมิหารสี่เป็นอัปปมัญญาหมายความว่าหนึ่งมีเมตตาความรักสร้างสันติสุขให้เกิดกรมวลชน อย่าเป็นพระเดี๋เป็นคณะว่ายกตามทําตามพระธรรมวินัยทีนว่าเราเป็นมิจฉาเขาเรายการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงแนะนำให้มีให้มีความสงสารเกื่อนคุณบุคคลผู้มีความทุกข์อย่เป็นคนหรือใส่ก็าตามถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงทําได้เราทํา นัเริการที่สี่ตัดอารมณ์อิจฉาดุสยาความดีเขาองคนอื่นไปเห็นใครได้ดีก็คลาดูว่าเหตุใดเขาจึงดีพยายามปฏิบัติตามนั้นพรอยินดีกับความดีที่เขาปฏิบัติข้อที่สี่องค์สมเด็จพระสุนทสมาติสุภาษให้พิจารณาว่าอารมณ์ใดที่สร้างความสะเทียนใจ และการใดที่เกิดกับกายที่มันเป็นเหตุตามปกติวิสัยของมนุษย์ที่เกิดมาสมเด็จพระบรมศาสดาหให้ทรงวางเฉยวางเฉยหมาความวจิตใจไม่เกิดวนกิดวายเพราะนีมันไม่ได้นี่เปการหนึ่งอีกเป็การหนึ่งอ ง, องค์สมเด็จไปจอมใจทรงแนะนําว่าถ้าเป็นพระจงตัดความชั่วสี่เป็นการคืนหนึ่ง ชันทาคติลำเอียงเพราะความรักสองโทษาคติลำเอียงเพราะความโกรธสามโมหะคติลำเอียงเพราะความหลงสี่พยาคติลำเอียงเพราะความกลัวและต่อไปองค์ ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําว่านิพานัาสสัชกิริยายะเอตังกาสาวังกเหตุวา แปลเป็นใจความว่าการรับผ้ากาสารพัดมาเพื่อทําให้แจ้งสิ่งผนิพันธ์อนนักบวชทุกองค์จะเป็นประเภทบวชตามประเพณีก็ตามบวชเพื่อเป็นอุป ส, ปสมะชีวิกาก็ตามบวชเพื่อหวังความรู้ในพระพุทธศาสนาก็ตาม จะต้องมีกำลังใจเท่ากันว่าะการบวชคราวนี้เราต้องการพระนิพพานไม่ใช่มาบวชเกาะพระาศาสนากินเอาพระาศาสนาเป็นที่เป็นนั่งร้านมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้มีบุญวัสนาบารมีมีความรู้และความรู้ในพุทธาศาสนานี่เข้าทำลายพระาศาสนา โดยการไม่เคารพพระธรรมวินัยอย่างหนึ่งไม่เคารพพระราัยปกครองคณะสงฆ์ไม่เคารพสังฆานัดรละวากฎมหาเทระสมาคมนี่บรรดาอารัชีที่มีใจด้านประเภทนี้มีอยู่อาตมานะถูกรุกรานมามากเจอาทาั่งลงทุนสร้างวัดนับเป็นเวือนระยะเงินเป็นร้อยล้าน แต่ก็ถูกอันด า, าพานยึงอยู่ในภาคกาสามาพัฒนวพัฒในลุกรานหนักจนกทั่งตัดสินใจว่าถ้าเป็นชิ่นนั้นจริงไม่สามารถแยกข้ามบ่วงนี้ไม่ได้เราก็จะไปกาดตนแยกออกจากบรรดาคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันจะมาตั้งนิกายนิกายหนึ่งซึ่งใครจะมายุ่งไม่ได้เด็ดขาดแต่ก็เป็นเกือเป็นการดี มีคุณอยู่บ้างอาศัยพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพญาและว่าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชภาดิการามพร้อมด้วยคณะของท่านท่านพยายามอบอุ้มแล้วก็มีหลวงพ่อวัดไตรมิตรจาคุณใหญ่นะแล้วก็หลวงพ่อวัดแต่สมเด็จวัดสุทัศน์ แล้วก็มีบรรดาพระราชาคณะที่ดีๆอีกหลายสิบท่านมีคณะเบญยนอีกเยอะท่านเห็นใจที่เห็นใจเพราะว่าท่านทงหลายเหล่านี้เป็นผู้ส่งความดีมีความดีรู้ว่าอะไรดีอะไรชัว่วถ้าได้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพอฟังคำว่าสมเด็จ หรือว่าเจ้าคุณคือพระราชาคณะแต่ว่าใหญ่ขานาดนั้นน่ะทำไมจะไม่ทําอะไรให้มันเด็ดขาดก็เออขาได้โปรดเยลิมว่าในสังคมที่ประชุมกันแต่งฝ่ายพระเดลนี่เทือหลักประชาธิปไตยมานานถ้าคนที่ประชุมกันนั้นมีอารัชชีหน้าด้านมากเขาก็จะไม่มองเห็นได้ได้ข้างความดีคนดีมีน้อย น้ำน้อยถึงแม้ว่าจะแพ้ไฟแต่ท่านน้ำจะมีความเย็นมากชั้นใดก็สามารถจะดับไฟได้เหมือนกันเป็นอนุนวาสายเร ค, คุณท่านตามที่กล่าวนมามมนแล้วนี้กล่าวนมามมันน้อยนะแต่ว่าที่ไม่ได้อ้างชื่อนิมากพยายามต้านทานทุกอย่างจนทั้ ง, งานที่เป็นไปด้ดี แต่ก็ยังไม่ค่อยจะดีนักเวลานี้ที่มาพูดนี่เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยี่สิบสองดีเงียบแต่ไม่ค่อยสงบเขายัางตั้งตนเป็นไฟสมขอนอยู่ขอบรรดาสาวกคุโองสมเด็จพระบรมครูคอยดูกันต่อไปถ้าลุกรานเมื่อไรคราวนี้เราจะถอนลากถอนโคนกัน จะจัดการไม่เห็นเหลือซากแม้แต่นิดเดียวทางนี้เพราะอะไรเพราะเขาจะคืนอดใจต่อไปแล้วก็พระาศาสนาจะทิพายเมื่อพระาศาสนาทิหายบ้านเมืองมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่ามีพระเป็นผู้ทำลายสามัคคีทำลายความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ทำลายความดีของปวงชนชาวไทย สันรายสามะคีคนไทยแตกกันคนประเภท น, นี้เขาไม่เรียกพระเขาเรียกกันว่าส ok ัตว์นรกอย่าลืมนะว่าพระดีก็มีมากพระเลวก็มีมากจะเห็นว่าใครดีและใครเลวสักวันหนึ่งข้างหน้าหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายโดยทุนนายหยิบนางสีนะวะก็ไหว้ขึ้นมาดูเขาอีไหน ไม่ต้องดูอะไรกันมากดูพระวินัยอย่างเดียวพอพระที่ดีตามพระวินยัยองค์สมเด็จพระจอมไตร ย, ยังไม่เรียกพระยังเรียกว่าส ม, มุทิสงถ้าจะดีจริงๆแล้วก็จะต้องเป็นพระอริยเจ้พาพระตถาจารย์จึงเรียกว่าพร ะ, ะจรึงเรียกว่าพระถ้ายังไม่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ประโสดาบังคินไปไม่ใช่พระ เป็นสมมติสองพวกสมมติสองนี้เราไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยวันนี้ก็อาจจะดีแต่วันหน้ า, า จ, จะเร็วตอนเช้าอาจจะดีตอนสายอาจจะเร็วฉะนั้นการบูชาพระขบรรดาท่านพุทธบริษัทย่างคิดว่าเมื่อวันที่เท่าไรจำไม่ได้เสียแล้วญาิโยมพุทธบริษัทเห็นจะเป็นวันที่ยี่สิบสองกันยายน ได้ไปออกสถานีโทรทัศน์ที่ช่องห้าของกองทัพบกตอนนั้นมีญาติโยมท่านหนึ่งมาถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะพระที่ท่านมารับบาดบ้านฉันฉันถามท่านว่าท่านศึกษาอะไรได้ธรรมะชั้นไหนและปฏิบัติธรรมะขั้นไหนพระที่มารับบาดบอกว่าโยมอาจจะมาไม่ได้ศึกษาธรรมะ แล้วก็มาเดบปฏิบัติธรรมะอาตมาเรียนมอสอห้าอาตมาเรียนการบัญชีญาติโยมท่านนั้นก็บอกว่าถ้าชิ่นนั้นแล้วก็ตั้งนับแต่วันนี้เป็นต้นไปขอเรื่องคุณเจา้าไม่ต้องมารับบาทบ้านฉันท่านถามว่าอย่างนี้จะบาปไหมที่เราไม่ใส่บาทอาตมาก็บอกว่าถ้าทำอย่างนั้นอาตมาก็ขอมโมทนา เพรว่าพวกนี้ไม่ใช่พระจัดว่าเป็นโจรปล้นพระพุทธศาสนาเมื่อในเมื่อไม่สนใจในพระธรรมวินัยแล้วก็มาบสถอยู่ก็จะสร้างแต่ความชั่วจะไม่เห็นความดีของพระศาสนาพยายามทำลายทุกอย่างที่พูดอย่างนี้จะถือว่าเป็นการแกล้งกันไหมก็ตอบว่าไม่ใช่การเป็นการแกล้ ง, ลงเพราะอาจจะมาเป็นพระ เคยร่วมอยู่กับค น, คนประเภทนี้มาในกางก่อนนี่เป็นอันว่าวันนี้นะยังไม่ได้เข้าเรื่องนันสีลวงพ่อปานมาพูดกันใน้ฟังแต่ว่าแต่มาเองก็โดนคนประเภทนี้เมื่อมีวาสนาบารมีขึ้นมาแล้วก็ใช้อำนาจเบ่งทำท่าว่าฉันมีอำนาจวาสนาฉันเป็นอย่างนนที่เป็นอย่างนี้ไอ้คาว่าเป็นเนี่ยมันเป็นโลกธรรม ตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์นี่บันเป็นโลกธรรมที่อคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้วางทิ้งเสียในเมื่อรับก็รับได้ ต, แดดแ ต, ดตดำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ท่านถวายมากรับรับแล้วจงยาบ้าตามยศจงยาบ้าตามตำแหน่งหน้าที่ดักสาความดีตามพระธรรมวินัย ก็จงจำไว้ว่าที่พระสารีบุตรแนะนำพระว่าเราบวชมาเพื่อความดับไม่มีเชื้อแต่ทําไมเราจะเอาเชื้อประเภทนั้นเข้ามาคุกุนอยู่ในใจแล้วเชื้อเข้าไปเปบ่งกับบรรดาประชาชนทั้งหลายโดยเฉพระด้วยกันอย่างโดยเฉพา ะ, ะอย่างยิ่งพระด้วยกันยาธมานียโดนเชื้อบ้าบ้ารุกรานมานานนักหนา แต่ขอบริการกยกบันดาลญาติโยมพุทธบริษัททันหลายโดยทนหนาว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าเชื่อจังไรนี่เข้ามากระทบมาไหร่เมื่อนั้นจะต้องต่อสู้กันถึงที่สุดและในที่สุดถ้เราไม่สามารถจะต้านทานด้วยพระธรรมวินยัยเราก็จะใช้กำลังใหญ่ทอนรากถอนโคนเชื่อเราเลวนี่หมดไปจากเขตพระพุทธศาสนา อาราบันดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายโดยทุนน่ะวันนี้กับพรุ่งนี้ยังหาเรื่องราวอะไรดีไม่ได้นอกจากจะมาพูดส่งเด็กกันอย่าแบบนี้แนหะพูดแบบคนบ้าเพราะว่าต้องพูดแบบคนบ้ากันแน่เพราะเราบ้าเพื่อศาสนาดีบ้าเบื่อให้ให้ประเทศชาติทรงตัวอยู่ มองดูเวลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่เป็นสาวโกพองค์สมเด็จพระบรมครูเวลาหมดเสร็จแล้ววันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี